บทภาชณีภาจิตตีเก้รล่วงเลยห้าวันภิกษุณีสำคัญว่าล่วงเลยห้าวันแล้วต้องอบัติภาจิตตีล่วงเลยห้าวันภิกษุณีไม่แน่ใจต้องอบัติภาจิตีล่วงเลยห้าวันภิกษุณีสำคัญว่ายังไม่ล่วงเลยต้องอบัติภาจิตตีทุกทุกกฎยังไม่ล่วงเลยห้าวันภิกษุณีสำคัญว่าล่วงเลยแล้วต้องอบัติทุกกฎ ไม่ล่วงเลย5้าวันพิกษุณีไม่แน่ใจต้องอาบัตทุกกฎยังไม่ล่วงเลย5้าวันพิกษุณีสำคัญว่ายังไม่ล่วงเลยไม่ต้องอาบัต